ยังเราเกิดขึ้นมาแล้วนี่สภาพความเป็นยังไงที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ทุกคนเนี่ไม่ว่าใครทั้งหมดหนีไม่พ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความแก่ไปได้เนี่ยเราก็มานั่งดูว่าที่พระพุทธเจ้าจัดอย่างเนี้ใครมีเคยมีใครมาไหมผัวแก่ไหมระยำผัวเสือแก่ได้ แก่แล้วแมวแก่ไปเขาด้อยปลาให้หลายแก่ตามใช่ไหมทั้งหมดเราแก่ไหมแ ก, แก่หมดไม่มีเหลือใช่ไหมไอ้ น, นี่มันเป็นตัวยืนโรงที่เราปฏิเส ธ, ธไม่ได้สองเมื่ความแก่มันมีขณะที่ทรงกายมันก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความป่วยไข้มันสมายไปได้ใช่ไหมไม่มีใครในโลกนี้ที่จะป้นความแก่ไม่มีใครจะพ้นความป่วย แล้วก็สามแล้วเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความตายไปได้เอ้ทวดจะตายเปล่านั่นทวดเลยย้าตายแล้วไม่พอปู่ตายไปด้วยเห็นไหมปู่ตายไม่พอดึงพ่อเราตายไปด้วยพ่อตายไม่พอดันจะดึงเราตายไปด้วยใช่ไหมนี่อันนี้เป็นกฎตายตัว อาการอีสี่ไม่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอาการทัดท่าจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาอันนี้เราหนีไม่ได้อีกพ่อที่เรารักแม่ที่เรารักพ่อ่าตายายที่เรารักสามีพันยาที่เรารักลูกที่เรารักเพื่อนที่เรารักแล้วทรัพย์สินที่เรารักในขณะที่เขาตายเขาก็ต้องจากเราก็เทอเราจากเขาแล้วทรัพย์สินที่เราหามาโดยยากปีที่แล้วรวยนะเขมุดตรงนะ ปีนี่ผลแรงหมดกินทั้งหมดแล้วไ่้ไหมกินหมดแล้วหมแล้วผลแร ง, แรงทําสนองไม่ได้ก็ไม่รู้ทําไรนี่เป็นของธรรมดาเป็นวัตถุใช่ไหมนี่ต่อไปนั้นบอเราก็มีกรรมเป็นของตัวเมื่อทํากรรมดีผลดีจะสนองให้มีความสุขถ้าทํำกรรมชั่วผลชั่วจะสนองให้มีความทุกข์ อันนี้ของจริงที่ในโลกคนมีอยู่ที่เรียกว่าอริยสัจที่พูดเนี่ยเป็นอริยสัจเป็นของจริงที่ชาวโลกตั้งแต่ยาจกบรรพิพกถึงพระราชาจะต้องประสบเหตุเหล่านี้เหมือนกันหมดนี่เป็นของจริงนะการที่ว่าอาศัยจิตของเราที่มีกิเลสไอ้กิเลสนี่ก็แปลว่าอารมณ์ชั่วกิเลสเข้ามาพอ่อครอบงามจิตจิตไม่ยอมรับสัก ไม่ยอมรับว่ามันทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นเหตุของความสุขถ้าถือว่าคนเขาเห็นคนเขาป่วยไอ้เรามันก็ต้องป่วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่จาความป่วยรู้จักว่าแต่ว่าคนอื่นเขาป่วยอันนี้ความป่วยเข้ามาถึงตัวเรามันก็เกิดอาการหวั่นไหวนี่แสดงว่าจิตเราไม่ยอมรับนถือความเป็นจริงนี่ต่อไปเมื่อความแก่เข้ามาถึง ไอคนอื่นเขาแก่เห็นแก่ได้แต่เราแก่มั่งไรชอบใจเั่าไหร่ไม่ลุงนี่แส้งว่าเราเรียก ว, ว่าไม่ยอมรับรับถือความจริงใช่ไหมในความคนอื่นเขาตายให้ใหเราดูทุกวันแสดงว่าพอความตายเข้ามาถึงเราบ้างเราหวั่นไหวในความตายนี่แสดงว่าเราไม่ยอมรับรับถือความเปจริง อาการทัศน์ใจจากของรักของชอบใจมีสึ่นข่อตายแม่ตายปู <VERY> ่ตายย่าตายหลานตายเลนตายคัวตายเมียตายลูกตายใครตายไอ้ตัวนี้ตายเกิดขึ้นเกิดความหวั่นไหวนี่แสดงอารมณ์มันไปกิเลสไม่ยอมรับความเป็นจริงถ้าจิตของเรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะอะไร ว่าทุกวันทุกเวลาเนี่ยเราจะต้องนึกไว้เสมอว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก่ใช่ไหมนี่ไม่ได้ใช่ไหมเรายัะต้องแก่เราพร้อมรับความแก่เราเกิดมาเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายเราจิตเรายอมรับอาการป่วยไข้ไม่สบายเราต้องคิดไว้เสมอว่าาการป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยมันจะต้องมีกับเรา แล้วก็ต่อไปเราก็ยังคิดไปเสมอว่าเราจะต้องตายถ้าความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรเราจะไม่พอแท้ท่า น, นี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อตายถ้าความพัฒนาจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นจะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในรวมความมาสิ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอน ว่าให้จิตของเรารยอมรับว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยธรรมดาของเราจะต้องประสบอย่างนี้เอาจิตเข้าไปจับธรรมดาอารมณ์พระละหันนั้นไม่มีอะไรอาพระละหันนี่จิตพระอะหันนีก็ถือว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาเท่านั้นเองไม่มีความเศร้าหมองจิตคให้กิเลสแตลวปลความเศร้าหมองจิตความเศร้าหมองจิตคือหมายถึงว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดขึ้นความอะไรเกิดขึ้นอันนี้เรียกวความเศร้าหมอง นี่เราก็ น, นั่งในเปือบเออพระพุทธเจ้าโกหกอย่างนี้จริงไหมวนะถ้ามันยังไม่จริงแล้วก็ไปส่องกระจกดูที่หน้าเราเหมือนเด็ ก, กอายุสิบหกไหมดีไม่ดีเข้าของตัวว่าหน้ากูเหมือนเด็ ก, กอายุสิบสองแต่ไม่ใช่หน้ากูเหมือนเด็ ก, กอายุสิบสองที่เกิดมาหน้ากูเหมือนเด็ ก, กอายุสิสองปีจะตายอะ่ะแต่ไม่ยนะอมอันี่มันเป็นตัวกิเลส ที่ว่าความเศร้าหมองจิตก็หมายความว่าจิตที่ไม่ยอมรับความจริงถ้าจิตเรายอมรับความจริงตัวนี้ที่ว่าจิตเราหมดกิเลสไอ้ความเศร้าหมองไอ้ตัวนี้มันเป็นตัววิชาที่เราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจนี่ปกติที่มันมีอยู่แต่จิตเราไม่ยอมรับ เห็นเชื่อบ่ายเขาป่วยคิดว่าเราไม่ป่วยเห็นเชื่อบ่ายเขาแก่คิดว่าเราไม่แก่เห็นเชื่อบ่ายเขาตายคิดว่าเราไม่ตายเห็นเชื่อบ้านทัศราของรักของชอบใจคิดว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นตัวนี้นะ่ะที่เขาเรียกกันว่ากิเลสคือความเศร้าหมองของจิตใช่ไหมกิเลสเมื่อมีขึ้นมันก็มีตัณหาไอ้ตัณหาเนี่ก็แปลว่าความทะยานอยากความอยากอยากตรงไหนนี่ย อยากให้ขันห้ามันทรงตัวเพราะว่าตัญหา อ, า, อารมณ์อะไรก็ตามที่ยังไม่มีขึ้นโดยอำนาจของกิเลสยังไม่มีผัวอยากมีผัวยังไม่มีเมียอยากมีเมียยังไม่มีลูกอยากมีลูกแล้วมันดีไหม ด, ดีไหมเป็นไงตายหาได้อยู่พูดได้เออถามว่าดีไม่ดีน้อยเป็นไหมเป็นครับฮึแม่สุขมันทุกอ่ะ ทุกใช่ไหมเอ้ก่อนแต่งงานคิดดูมันสุขใช่ไหมหยบไม่เล็กกว่าสุขจะแต่งแลันเกลือใช่ไหมใช่ไหมเดีวเล็กว่ามนรนสุขจะแต่งงานเขาจริงจริงมันสุขก็มันทุกข์ล่ะพอแต่งงานเข้ามาแล้วพูดตัวพมมีอยู่ด้วยการทุกข์ยังไม่พออยากจะมีลกูกอีกเห็นไหมไม่มีลกูกดันไปหาพระในฉันแล้วเขาขอลูกเรื่อยเนี่ยฉันก็ไม่มีลูกแจกเขาเห็นะไหม นี่เอโปตังคีเวธนังปราเทภริยาหัดเถพระพุทธเจ้าจะมาห่วงลูกจมันโผคอแต่มีสตังซื้อกินกะตีก๋วยเตี๋วกินชามเดียวนะมันไม่มีชื่อซื้อเป็นชามที่สองพอพุ้ยเข้าไปคำชกจะเกินไม่ลงบอกลูกกูยังไม่ได้กินดีว่าใช่ไหมเอเอาไปเผื่อลูกเถอะ ไ, ไปสูหอทรงเด็กไม่กินไม่เกินมันอว่าเผื่อลูกดีกว่า นี่ไอ้ปวดตังคีเวห่วงลูกคนบีบคอหรอท่านเราบอกผูกคอใช่ไมรัดคอใชไมคือมีความอะไรรักห่วงลูกกิงปล่ายชีวิตนี่ก็แสดงว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องมีตกักังวลแบบนั้นใช่ไหมแยกกินยังไงก็ได้แต่ตัวเราคนเดียวมันก็เป็นทุกข์ในความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกในที่ทุกสถานถ้านังประเทศมีสามีพัญญาเอ่ย พลังปาเทมีทรัพย์สินห่วงเท้าห่วงข้อเท้าอะไรถ้าคุณไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีทองไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นี่มีทรัพย์ไม่ได้ต้องรีบกลับสิใชมพลังปาร์เทก้าวขาไม่ก็ออกเด้งัวมันจะหายใครมันจะหลุดใครจะมาขโมยของบนบ้านยุ่งไปหมด่ะแต่ถ้ามัมีก็ไม่ห่วง ปริยาหัดเทหมายถึงว่ามีพันสามีพันญาส ม, มาต้องประกอบติกใจงานให้มันมากขึ้นหัดเทเร่องเบื่อทำงานให้มันหนักอายุคนเลียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกออยู่สองครองทุกแสนสนุกแต่ไม่สมบายแค่น้ยงเยี่ยงถูกไหม <laughs> ใช่ไหมเมื่อตอนนั้น ใ, นใครมาคุยกับคู่รักรามาโหดีไม่ดีคว้างจานเจริญพังมัน แต่เรื่องท่าจริงมายุ่งอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมแต่มันยุ่งแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันผ่านมันแล้วก็ถือถือว่ามันทุกข์เองแต่ถ้ารู้อย่างนี้เราทำอย่างไร mm. สมมติว่าเราแต่งงานงแล้วเรามีลูกมีเต้าแล้วเราจะโยนคู่คราวเราทิ้งไปหรือโยนลูกทิ้งไปหรืออันนี้มันก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนั้นสอนแต่เพียงว่าถ้ามีขึ้นมาแล้วก็วิจัยดูให้ดีว่ามันสุขหรือมันทุกข์ใช่ไหม ถ้ามันทุกจริงแล้วก็ต้องถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะมีผู้ครองแบบนี้เราจะมีลูกแบบนี้เราจะมีหลานแบบนี้ถ้าเราไม่มีสามีมไม่มีภรรยาไม่มีลูกแล้วอยู่คนเดียวมันทุกข์หรือเปล่าเฮ่ก็หกอะอยู่คนเดียวทุกข์ไหมทุกเหมือนกันครับเ่ย <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวมันก็ต้องทุก เพราะอะไรเราไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีโรกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหิวไหมใช่สมพระเจ้าอยู่คนเดียวเลยหิวไหมหิวคนเดียวมันก็นทุกข์ที่คัดช้าปรมาโรคาพระพุทธเจ้ากลา ว, ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเ่๊แม่ ถึงแม้ว่าเราไม่มีคู่ครองเราไม่มีลูกเรา ม, ม, ม, มิมีหลานล้วตัวเดีวเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกายสุจนิพกเนี่ยมันต้องการจะ ก, กินน evet. ะความหิวเกิดขึ้นถ้าไม่หาให้มันกินมันก็ทุกข์หิวเนี่ยเอาหัไล่นะเอาหวัวหิวเนี่ไหนเห็นช้างตัวทําหมดเหไม่ใช่ตัวทําหมนะูน่ะตัวทําหมดดีไม่ดีก็เทืบช้างตายแล้วช้างก็ทื่อไปหมดไม่รูๆๆๆๆๆๆๆ้ไไอ้ความหิวไม่เกิดกับตัวเราเราก็ทุกข์ เราไม่มีคู่ครองเรามีแต่ตัวเราคนเดียวความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีกับตัวเราใช่ไหมในความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันทุกข์แล้วมันทุกข์อะไรกข์นี่ต่อมาความแก่เข้ามาเราตัวของเราคนเดียวนี่ยเราไม่มีคู่ครองไม่มีฟ่อไม่มีเมียไม่มีโรคเราก็แก่เป็นใช่ไหมแต่แก่มาสุขก็มันทุกข์ทุกขแต่แก่ยังไม่พอเสียดตายจะตายไอ้ตายจริงๆไม่น่ารู้สกไอ้กำลังจะตายนี่ใช่ไหม อการที่จะตายเกิดขึ้นนะ่ะทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างหนักถ้าทุกขเวทนาไม่บีบคั้นมันก็ไม่ทุกขคนจะตายจริงๆนะ่ะทุกขเวทนามันบีบคั้นมากมันมากจนถึงตายมันทนไม่ไหวใช่ไหมนี่ความก่อสับกรสลายเกิดขึ้นในตอนนั้นมันก็เป็นอาก า, ากรของความทุกข์รวมความเมื่อเราไม่มีคู่ครองไม่มีสามีไม่มีปัญญาไม่มีลูกแต่ว่ามีตายอย่างนี้เราก็ทุกข อย่างนั้นพระพุทเจ้ายะสงสา ร, รว่าจงตัด ก, กายเสียไอ้คาว่าตัด ก, กายนี่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะให้มีพิจารณาเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์คือร่างกายนี่น่มันเป็นทุกข์แม้แต่เราคนเดียวเรามีร่างกายคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ที่เราทุกข์อยู่นี่ทุกข์เพราะขันห้าทุกข์ระขันห้าคือร่างกายของเรานี่เราทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองแล้วก็ทุกข์ เพื่อขันห้าของผู้ครองด้วยเพิ่มพมีท่าหนึ่งเพีสินะถ้ามีลูกไม่คนก็ทุกข์เพื่อลูกถ้ามีหลายก็ไม่อยากจะทุกข์เพื่อหล้านรวมความว่าความเกิดมันทุกชาติมีทุกข์ค้าความเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราจะเอาทุกข์มาจากไหนเราไม่เกิดมาไอ้การหิวในะร่างกายมันหิวถ้าเราไม่มีร่างกายเอากายเนี่ยไม่หิวอ่ะมีไหม ไม่มีครับไม่มีใช่ถ้าเราไม่ความแก่มา่อายกับร่างกายมันแก่ถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะแก่ไหมไม่แก่ครับไอความป่วยไข้มันสบายมันเกิดกับร่างกายถ้าไม่มีร่างกายจะป่วยไหมไม่ป่วยมันตายก็ร่างกายตายไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ตายใช่ไหมแต่นี้ไอความเกิดมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้หนีความเกิดใช่ไหม ที่พระท่านเคยสอนมโนเยติเนียนะ่ยอย่าลืมว่านั่นนบันฑ์นั่นสอนท่านสอนอารมณ์ขันพะรหันที่บอกว่าจงอย่าสนใจกับร่างกายเลยร่างกายเราก็เป็นทุกข์ร่างกายคนอื่นก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความพัฒนาจากของรักของชอบใจก็เปทุกข์ที่เราทํากันนี่เราทําเพื่อหมดทุกข์ทำเมื่อหมดทุกข์ทำตอนไหนมีร่างกายโควิอตายหรือมันก็ไม่ทุกข์ เป็นได้เพียงว่าวางอรารมณ์ว่าชาตินี้เรามีตัวมีร่างกายหน้าที่ในการบำรุ ง, บงเรย์พนเปรร่างกายมีเท่าไหร่ทาให้ครบถ้วนเรามีสามีพัญญามีบุทธิดาเราทําหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนให้ดีที่สุดที่จะพึงทำได้ตามหน้าที่ทําครบทุกอย่างงานภายในงานภายนอกให้นมาครบถ้วนแต่แต่ว่าจิตอีกโดนหนึ่งคิดว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความทุกข์ ในเม่อการอย่างนี้มันเราก็อย่าขอทุกข์เพียงชาตินี้ชาติเดียวไอชาติแล้วเนี่ยเพราะเราโง่เราจึงเกิดเห็นไหมถ้าหาวกตอนเราไม่โง่เราก็ไม่เกิดมาเป็นคนไอการที่จะเกิดมาเป็นคนเพราะอะไรเพราะโง่มันเรามีกิเลสตัณหาปรารทานอากุศลกรรมกิเลสคือความเศร้าหมองจิตไม่ยอมรับรับถือความเป็นจริงตัณหาทยานอยากเหตุที่เป็นทุกข์ อยากอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีหลานนี่แหละใช่ไหมความทยานอยากในเหตุที่เป็นทุกข์อาการกุศลกรรมว่าความทะยานอยากคืออารมณ์มันต้องการมันก็แสวงหาเลยทําในสิ่งที่มันทุกข์ให้มันเกิดขึ้นอยากไม่อยากไม่ไม่มีเมียอยากมีเมียก็หาเมียมาไม่มีผัวก็หาผัวมาไม่มีลูกก็ทําลูกขึ้นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอกุศลกรรม คำว่ากุศลน์กรรมอกุศลนี้แปลว่าไม่ฉลาดอย่างนี้นะกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดนะกุศลนี้ก็แปลว่าฉลาดอกุศลน์กรรมทําในเหตุที่ไม่มีควาฉลาดเพราะอะไรก็ว่าไม่ฉลาดก็ตัวคนเดียวเราอย่างทุกทําไมเราจะแสวงหาคูกครองมาเพิ่มทุกชาวบ้านเนี่ยก็ทุกให้เราดูเราเห็นอ เขาแต่งงานกันที่มีลูกมีเต่าเขาแต่งงานไอ้ก่อนจะแต่งงานเพราะต่ตอสิทธิ์เขอแต่งแล้วมันชาท่อกันแล้วดีข้าไงไนเอาไหวไหมวันนี่ยหมเอามั่งนะวันนี้น <c ười> <c ười> ดิดวัหน่อยนะเดี๋ยวก็ไขคอกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไห ม, ไ, หมไม่สายนี่อย่างนี่ไม่สายไม่สายคือว่าไอ้รู้เราแต่งแล้กกวก็แล้วกันไปใช่ไหมเราเราแต่งงานแล้วกว็แล้กกวก็ไปก็แต่งแล้วก็ดีมันจะได้รูกก้ทุก ใช่ไหมถ้ามันรู้ทุกข์เราก็ตัดกำลังใจว่าอาการทุกข์อย่างเนี้ยต่อไปจะไม่มีขนาดรอยอื่เห็นไหมเราจะไม่มีเราทํำยังไงเราจะตัดตนทุกนี้แล้วในอาวุโสในกรรมทําแล้วนี่เราก็เราก็ตัดตัวป่าทานตัวตัดนี่คือตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นมันตัดอยู่ตรงนี้นะการมีแล้วดีจะได้รู้ทุกข์จริงๆเห็นไหม อย่างนันนี่ยไม่รู้ทุกจริงไม่รู้เขามีเมียเขาทุกข์กันยังไงแต่ดูเขาทุกข์ให้ดูมันก็แค่นั้นแหละไอ้ดูคนป่วยมันก็เป็เหมือนกับเราป่วยเองใช่ไหมดูไอ้คนที่ก็ต่งงานเป็นทุกข์ก็ไม่เหมือนกับเราแต่งเองดิชนวนไปแต่งไม่ไปนะไม่เอาอ่ะไม่เอานะยังไงๆขอเป็นคนดูละครไปก่อนนะป่านมีแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเราก็ตัดตัวประทานไอ้ตัวตัดจริงๆมันตัดที่ปาทาน ในในสังโยชน์สิบรการเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ตัดตัวเดียวคือสกายาติทิฏิสกายาติทิฏิให้พิจารณาว่าแต่ภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัดตัวเราถ้าตัดตัวเราได้แล้วก็ตัดสามีได้ตัดพัญญาได้ตัดลูกได้ตัดเหลนได้ตัดหล้านได้ แต่ว่าคําว่าตัดในที่นี้ไม่ใช่หมายความไม่ใช่หมายความมีชีวิตยอยู่แล้วทิ้งกันไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าตัดในที่นี้ก็หมายความว่าเขากับเราเนี่รักกันเกือบตายสามีภัญญารักกันปานเกืกบจริงจิ้นเรารักลูกรักห ล, ลานปานเยืกบจริงกินแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่แช่ไม่เรากับเขานั่นต้องจากกันแน่ไม่แชฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายไปใช่ไหม ในเมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตายนี่เราไม่อยากตายอยู่แล้วไงลุงปกตินี่เราไม่อยากตายแต่เมื่อเขาเองเขาก็ไม่อยากตายเราเราก็ไม่อยากตายแต่ในเมื่อความตายจะเข้ามาถึงจริง ๆ, ๆนี่เราห้ามไม่ได้นะเห็นไหมในเมื่อเราห้ามไม่ได้ทําไงมันจะตายก็ต้องคิดว่าถ้าเรามีสามีมแล้วมีพัญญาแล้วมีลูกมีหลานมีเหลนแล้ว เราเป็นพ่อบ้านแม่เรีอนเอาทางานทุกอย่างในฐานะที่เป็นพ่อบ้านแม่เรีอยให้ครบถ้วนทำงานครบถ้วนเพื่ออะไรเพื่อความสุขของจิตเราเป็นพ่อบ้านแม่เรีอยนคนเรื่องที่กาบเราเขาจะว่าจะเขาได้ไม่ว่ า, วาเราไอเราเนี่ยเป็นคนบกพร่องนะแต่ทำอย่างนี้ทุกอย่างแต่ว่าทำเพื่อไม่เกิดต่อไปไปแกห้เจ็บอตายพระท่านจากของนักของใจ น, นี่มันมาจากเกิด ใช่ไหมทําเพื่อให้ไม่เกิดต่อไปไม่เกิดทําไมเรามีลูกเลี้ยงลูกมีหลานเลี้ยงหลาน ม, มีสา ม, มีเลี้ยงสามีมีพันยาเลี้ยงพันยาต่างคนต่างเลี้ยงกันทําให้จิตมันสบายทํางานตามหน้าที่ีน้ตัวไม่เกิดต้องไล่ไปเป็นขั้นอารมณ์ที่จะไม่เกิดคืออารมณ์พระอรหันต์เรายึดไว้เป็นอารมณ์แต่ก็ดูจิตเป็นอันดับ พื้นฐานที่เราจะไม่เกิดอันดับต้นมันยังจะต้องเกิดเั็กนกลรระจำกัดความเกิดมันสั้นเขา้าคือเกิดน้อยแล้วก็เลือกเกิดเฉพาะที่ดีนะและ้วก็มีโอกาสก้าวเข้าไปถึงพระนิพพานให้มันเวลามันสั้นโดยจำกัดเวลาถ้าอารมณ์จิตของเรายัางหยาบอ ย, อยู่เราก็เกิดเป็นเทวนากับคนสลับกันไปอย่างลนะเจ็ดชาติเป็นพนระนัน อารมณจิตก็เราอย่างกลางแล้ว เ, เกิดเป็นเทวดากับคนสลับกันอย่างละสามชาติเป็นอรหันต์ถ้าจิตก็เราละเอียดก็เกิดเป็นเทวดาจากตาจากคนเป็นเทวดาลงจากเทวดาเป็นคนเป็นทรหรันจุดนี้ก็ได้แก่สัญญาณสามข้อแรกสัญญาณสามข้อแรกคือว่าอันดับแรกเราต้องยึดเทือนสัญญาณสามข้อแรกก่อนยังไงไงหยิบเหยีบยบหัวมุ ม, มไอ้ตัว น, นี้ให้ได้ก่อน เฉลี่ยเหยียบหัหาดตามหลักวิชาทหารนะยึดหัวหาดให้ได้ใ น, นคือหนึ่งเจรกายทิฐิมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรากับคู่ครางของเราและลูกหลานเหนรนบุคคลที่เหลืงของเราทุกคนเนี่ยในที่สุดก็ต้องตายหมดรักษาอารมใจอยนี้ไว้ก่อนนะพร้อมมาความป่วยจะต้องมีกับเราและกับเขาความตายเรากับเขาต้องมีแน่ การพัดพลาจากกันระหว่างเรากับเขาต้องเกิดขึ้นแน่นอนจงอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันตลอดการตลอดสมัยเราจะไม่มีการป่วยไข้ oui, ไม่สบายอันนี้ไม่ถูกเราจะไม่แก่อยังไม่ถูกที่าความแ ก, กม่ก็ดีความป่วยก็ดีความตายก็ดีค ว, วามพัดพ่าจากกันก็ดีมันต้องมีกันแน่นอนเรากับเขาต้องมีแน่ต้องความไม่คิดไปมุมเดียวว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาว่าดีต้องตาย อันนี้ถ้าความตายไม่เกิดขึ้นจริงๆทําไงค่านก็ต้องพร้อมมาสิเวลานี้เราอยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาเรามีหน้าที่กายงานที่จะต้องทําอะไรขึ้นมาเพื่อความเป็นอยู่ของขอครอบครัวสมมุติเราจะต้องสมมติเลยเสมอาอีกคนหนึ่งเขาตายไปแ ล, แล้วเราก็ทํางานอย่างนั้นเป็นการทดแทนกันให้ความเป็นอยู่ของขอครอบครัวมันเป็นปกติต้องคิดวิงญาณเสมอไนะอย่าไปคิดเขาไม่ตายใจได้ไม่สบายใช่ไหม ใจเริ่มสุขว่าฝายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามันตายขึ้นมาจริงๆบอกโอ้นี่ฉันรู้แล้วว่าจะตายใช่ไหมในงานนี้เราก็เตรียมพร้อมรู้แล้วถ้าเขาตายได้เข้าโคเร า, ากินบรรดาบัตดเมื่อระหว่างที่อยู่เราทํากันวันละสองหรือต่อหนึ่งคนตอนนี้เราต้องเตรียมท้าพร้อมทำบรรณบัตดไว้ก่อนจิตมันก็ไม่เป็ทุกข์ใช่ไหมนี่รู้ตัวอะไระตายแต่ว่าตอนนี้ก็แค่รู้ตูวว่าจะตายแต่ว่าถ้าตายคราวนี้ ขึ้นชื่อว่านรก ก, รกก็ดีเปรก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์ัีศาจก็ดีจะไม่เป็นแดงเกิดสำหรับเราเราจะยังไก่ความเกิดเฉพาะหนึ่งอย่างเลยเราเป็นมนุษย์สองเราเป็นเทวดาสามเราเป็นสรมเราจะวนไปวนมาอยู่แค่นี้ เนื้อาการที่จะทําให้เราวนไปวนมาอยู่ระหว่างความเป็นมนุษย์ความเป็นวิวรณด้และความเป็นคนเป็นผมจะทํำยังไงตัวนั่นก็คือสินห้าสีรพประบรมาชใช่ไหมนั่นก็คือสินห้าเราจะต้องรักษาสินห้าให้เป็นปกติถ้าเรามีสินห้าเป็นปกตินับจนบัตดนี้เป็นต้นไปจิตใจของเราจะไม่ยอมละสิล จิตใจเขาจะค่ายโซนสินอยู่เป็นปกติเราไม่ยอมบกพร่องจำวนความไม้สีลห้าข้อเนี่ยจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามที่จะขาดด้วยเจตนาที่เราตั้งใจทำนะํำลายนั้นไม่มีใช่ไหมสีนนี่มันขาดด้วยตั้งคางตั้งใจทำลายนะ <c oughs> บังเอิญได้บังเอิญไปเ ห, หยียบมดกายโปลกตายที่เราไม่มีเจตนาจะรู้ไอ้นี่เขาไม่ว่านะเขาไม่ว่าเพื่อสินไม่ขาดดูว่าจะต้องขาดด้วยความตั้งใจทําลาย ถ้าเราไม่ตั้งจะทำลายในสินไม่ขาดแน่นอนใช่ไหมนี่เราก็รู้ระมัดระวังสินไว้ในเมื่อขนาดที่เระมัดระวังศินไว้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าศินเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นนษได้ไม่เป็นปัจจัยแต่ในโลกเราคนที่มีสินห้าราจะเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็ น, นกกเปนเรตก็ดีแมลงศรกายก็ดีสติชัยก็ดีไม่มี <c oughs> ไม่มีแ <c oughs> นะ่ถ้าสินบริบูรณ์ ถ้าจถามอะไก่อนในสินขาดมาแล้วมาก่อนมันจะพูดถึงกันเราติดกันช่วงนี้เราไม่ยอมละสินใช่ไหมถ้าสินห้ามันจะทําให้เราเกิดเป็นคนสิงข้อที่หนึ่งจะทําให้เราเป็นคนสวยเพรามีเมตตาจิตแล้วก็เป็นคนมีอายุยืนยาวนานเขาอายุไขมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคภัยไข้ไขเจ็บแต่ว่าสิ่งที่เราเคยทำบาปนตาิบาตมาบ้าง ไอ้โทษปราน า, าติบัตมันก็ย่อยผลไม่กันต่อไปชนะก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายนะแล้วสิ่งข้อดีสองจะเป็นปัจจัยให้เรามีพุทธสมบัติดีมีมากแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็เราหนึ่งไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมขโมยไม่ลักกระโจนไม่พล้นแล้วก็ลมไม่พัดให้สลายตัวนี่อันน่ายของสินห้าถ้าเกิดเป็นคนตอนนี้หากว่าเรามีคนในปกครองคนในปกครองจะอยู่ในอวัตที่ดีที่สุด ไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งแล้วบุคคลที่ไต่รบรรทัศน์ ช, ชาเนี่ยเป็นคนดีแต่หากสิงข้อที่สี่จะเป็นปัจจัยให้เรามีวันมีสัจจวาจาคือมีวาจาไพเราะเป็นที่รักของบุคคลอื่นเป็นที่เชื่อถือสำหรับบุคคลผู้ฟังแล้วแล้วสิงข้อที่ห้าได้สิงข้อที่ห้าจะประกอบจะช่วยให้เราไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นคนบ้าดีไหมชอบบ้าไหมไม่ชอบนะนี่เราก็รู้ว่าลีส่งของศิน รายการที่เรามีสินห้าเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งไอ้อจะเป็นคนมีอายุยืนความป่วยไข้ไม่สบายมีน้อยมีรูปร่างหน้าตาสวยสองมีทรัพย์สินสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องทรัพย์สินไม่เมียนตรายจากกฎธรรมชาตินไฟมาน้ํามาลมมาหรือโจรักแล้วศินจะเป็นปัจจัยให้คนในปกครองขเขาว่านอนสอยง่ายอยู่ในวัด สิงข้อที่สี่จเป็นคนมีปากหอมพูดแล้วก็มีคนเชื่อสิงข้อที่หา้าจะทำให้เราเป็นคนมีสติสมัยชย์ยั่งยสมบูรณ์ไม่เ ส, สยียสติไม่ไปโรคสมรสาไม่ไปโรคบาน่าพอใจไหมน่าพอใจนะนอกจากนั้นกานปรปฏิบัติสิงก็ยังมีอันดับสองสีเลยนะสุขติตัญติสิงก็เป็นปัจจัยให้เกิดบรรพวค์ได้ สีเลนะโฟวับสมถามาเป็นเทวดาแล้วผมก็มีที่ผสมบัติมากแต่เกิดเป็นคนก็มีสมบัติมากสีเลนะนี้พุทติจิตสีเป็ดเป็นปจัจจัยเราเข้าถึงพรนิพพานตอนนี้ในเมื่อเราทรงสีได้แล้วอย่างนี้จิตอีกดวงหนึ่งก็ต้องยึดอุปสมานุสติกรมฐ า, านเป็นอารมณ์นั่นก็คือว่าการทําอย่างนี้เราทําเพื่อพระนิพพานตัวนี้ให้มันจับไปตรงปกติเลย ใช่ที่เรารักษาสิ่งก็ดีเราให้ทานก็ดีเราจะเญภาวนาก็ดีเนี่ยเราไม่ไทำอะไรการต้องการในใครชอบบ้านเข้ามาชมเชยไม่ทำประหวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดเราทำเพื่อปนิพันธ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์พระหันต่อว่าคุณธรรมของเราอยู่ในขั้นของเขาโสดาบันที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะ ที่พูดเมื่อกี้นี้คุณธรรมเป็นคุณธรรมของมระโสนดากับสกิทาคามีต่อว่าอารมณ์อีกดวงหนึ่งก็อยู่ในขั้นอารมณ์ของพระอรหันต์เห็นไหมอารมณ์พระอรหันต์ก็คือนึกถึงบริภานแยอารมณ์วันนี้ทำไงถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์เรานึกว่ามันจะตายแน่มันจะแก่แน่มันจะป่วยแน่จะพัพนาจากกันนึกไว้เสมอๆไม่ใช่ช่งตัวเองเนี ไม่ได้แช่งคนอื่นแต่คิดว่าถ้าอาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะทํำยังไงก็รพร้อมใจว่าท่านนั่นเองใช่ไหมถ้าเรามีสามีพัญญาสามีจะตายพัญญาจะตายถ้าเขาตายไปคนนี่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะทำํำไง